จเจริญพรท่านผู้มีจิตสัทธานมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสารที่ส2องกรกฎาคมพุทธศักราช2 5 5เจเป็นวันเข้าพรรษา ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดทำเนียมการเข้าพรรษานี้มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธการคือในระยะช่วงแรกๆของการเผยแผ่พระศาสนาพระธรรมคาสอนให้แก่ผู้มีจิตศรัทธา ก็ปรากฏมีผู้มีจิตศรัทธาขอบวชเป็นพระกันมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามลำดับในระยะแรกๆไม่ได้มีการกำหนดเวลาให้อยู่จำพรรษาเพราะพระยังไม่มีจำนวนมากพระนี้โดยปกติท่านจะนิยมจาเล็กไป ตามสถานที่วิเวกต่างๆเพื่อบำเพ็ญจิตภาวนาเวลาเดินทางจากเล็กก็บางครั้งก็ต้องเดินผ่านทุ่งนาซึ่งในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงฤดูเพาะปลูกเวลาเดินผ่านทุ่งนาในช่วงฤดูฝนก็บังพะบงับงรูปก็ไปเหยียบย่ำทำลาย พื้นที่ชาวนาชาวไร่ได้ปลูกไว้ใหม่ๆชาวบ้านเดือดร้อนจึงได้นำความมากราบทูลแก่พระพุทธเจ้าว่าทำไมพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตทำไมไม่อยู่กับที่ในช่วงเวลาเข้าพรรษาหมายถึงในช่วงฤดูฝน แม้แต่นกกาเขาก็ยังต้องหลบหาที่อยู่ในช่วงช่วงฤดูฝนกันนักบวชของสำนักอื่นเขาก็ไม่จะเลิกไปไหนมาไหนกันแต่มีนักบวชของพระพุทธเจ้าที่ไม่ได้อยู่กับที่พระพุทธเจ้าเมื่อทราบความเดือดร้อนของชาวนาวชาวไร่ก็เลยได้บัญญัต ให้พระสงค์อยู่จำปรรษาอยู่กับที่ตลอดระยะเวลาสามเดือนนับตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปคือวันนี้จนถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบอ็ดห้ามไม่ให้ไปไหนมาไหนไม่ให้ไปค้างแรมที่อื่นให้อยู่กับที่ปฏิบัติ อยู่กับที่ไปตลอดระยะเวลาสามเดือนนี่คือที่มาของการอยู่จำพรรษาเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีรถราไม่มีถนนหนทางเวลาพระท่านไปเปรคุยเว้ไปหาสถานที่สงบสงัดก็มักจะต้องเดินลัดทุ่งนา ถ้าในหน้าแรงก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าชาวนาชาวไร่ได้เก็บเกี่ยวพืชไปแล้วแต่ในช่วงฤดูฝนนี้กำลังเป็นช่วงพ่อปลูกอยู่ก็จะเกิดความเสียหายพระสงฆ์เลยต้องอยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลาสามเดือนแต่ทรงอนุญาตถ้ามีกิจสำคัญกิจจำเป็นทรงอนุญาตให้ไปได้ไม่เกินเจดวัน เช่นบิดามารดาคู่บาอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปดูแลรักษาอย่างนี้ท่านการอนุญาตให้ไปได้เจ็ดวันแล้วก็ต้องกลับมาอยู่กับที่ต่อไปนี่คือเรื่องของความเป็นมาของการอยู่จำตรงสาของภาพทิุในบรวรของพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดฝนใดแห่งใดจะอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศเมื่อถึงวันนี้ก็จะต้องอธิษฐานตั้งจิตตั้งใจว่าจะไม่ไปอยู่ที่อื่นตลอดระยะเวลาสามเดือนนอกจากการอยู่จำพรรษาแล้วเราก็มีธรรมเนียมถวายผ้าอาบน้ำฝน ผ้าอาบน้ำฝนนี้ก็เกิดขึ้นในสมัยพระพุทธการเช่นเดียวกันคือปกติพระสงฆ์จะมีผ้าไตคือผ้าสามผืนไว้สวมใส่มีผ้านุ่งเรียกว่าผ้าสบงมีผ้าหม่มเรียกว่าผ้าทีวรแล้วก็มีผ้าห่มสองชั้นสำหรับไว้ห่มกันหนาวเวลาที่ เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้พระพุทธเจ้าต้องบัญญัติเรื่องการถวายผ้าน้ำฝนนี้เกิดจากตอนที่มีนางวิสาขาที่เป็นนางที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากและเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติได้บรรลุเป็นพ้าสโสดาบันวันหนึ่งเธอมีความปรารถนา อยากจะถวายน้ำปานะให้แก่พระภิกษุที่จำอยู่พรรษาอยู่ใกล้บ้านเธอเธอก็ไปส่งให้สาวใช้ไปที่วัดไปดูว่ามีพระอยู่กี่รูปเพื่อจะได้ทำน้ำปานะมาถวายได้ถูกจำนวนเวลาที่สาวใช้เดินไปถึงวัด ก็เกิดฝนตกหนักอยู่พอดีพระท่านก็เลยออกมาอาบน้ำฝนกันแต่ท่านไม่มีผ้าอาบน้ำฝนท่านก็เลยเปลยกายล่อนจ้อนสาวใช้ไปเห็นเข้าก็ตกใจรีบวิ่งกลับไปบอกนางวิสาขาว่าตอนนี้ไม่มีพระอยู่ที่วัดเลยมีแต่พวกชีเปืย พอนานวิสาขาได้ยินเข้าก็เข้าใจเพราะเธอมีปัญญาเธอรู้ว่าพระไม่มีผ้าหากน้ำฝนกันก็เลยไปกราบทูลขออนุญาตพระพุทธเจ้าขอถวายผ้าหากน้ำฝนให้แก่พระไว้ใช้ในช่วงฤดูฤดูฝนนี่คือความเป็นมาของการถวายผ้า อาบน้ำฝนเพื่อที่พระสงฆ์จะได้ไม่เปื่อยกายล่อนจ้อนอาบน้ำเป็นชีเปลอยการทำรนุบำ ร, รุงพระพุทธศาสนาด้วยปัจจัยสีเช่นอาหารบินทบาต ท, ที่อยู่อาศัยจีวรผ้าห่ผมผ้าอาบน้ำฝนและปัจจัยคือ ยารักษาโรคอันนี้เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนพึงกระทำเพราะพระผู้บำบวนนี้ไม่มีอาชีพไม่มีรายได้เพราะพทธเจ้าฝากการอยู่ของพระไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนไว้ดูแลเพื่อให้ศรัท ธ, ธาญาติโยม ได้มีโอกาสทำบุญเพราะว่าการที่เราจะมีความร่มเย็นเป็นสุดมีความเจริญก้าวหน้ามีการหลุดพ้นจากความทุกข์เราจำเป็นจะต้องทำบุญกันบุญนี้จะเป็นสิ่งที่จะดึงจิตใจของเราให้ขึ้นไปสู่ที่สูง ให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆจนไปถึงพระนิพพานที่เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดได้า mm hmm. การให้ข้าวของเงินทองเช่นปจัจจัยสแก่พระอันนี้เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นเหมือนขึ้นลิฟต์เวลาเราจะเดินเวลาเราจะขึ้นไปอาคารสูงๆเราจะต้องเข้าไปในลิฟต์ แล้วก็ลิฟต์ก็จะพาเราขึ้นไปชั้นต่างๆที่เราต้องการการทำบุญก็เช่นเดียวกันการทำานบบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยปัจจัยสีน่นี้เรียกว่าเป็นวัตถุทานเป็นการให้วัตถุเข้าของเงินทองเช่นปัจจัยสี่เพื่อที่พระสงฆ์ที่มาบวช จะได้ไม่อดอยากขาดแคลนจะได้ไม่เดือดร้อนจะได้ทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัติตามที่ได้ศึกษามาเพราะถ้าศึกษาแล้วไม่ได้ปฏิบัติก็จะไม่สามารถบรรลุถึงผลได้ จำเป็นจะต้องศึกษาและปฏิบัติถึงจะบรรลุผลต่างๆขึ้นมาได้ก็จำเป็นจะต้องมีเวลาศึกษาและเวลาปฏิบัติถ้าต้องไปทำมาหากินอย่างยากโยมก็จะไม่มีเวลาพอที่จะมาศึกษาปฏิบัติเพื่อที่จะได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆเมื่อไม่ได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆ ก็จะไม่สามารถเป็นที่พึ่งของข้าวรวาสญาติโยมได้หน้าที่ของพระในเบื้องต้นก็ให้ศึกษาให้ปฏิบัติจนบรรลุธรรมขั้นต่างๆเมื่อบรรลุแล้วก็จะได้เอาความรู้ที่ได้มามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ญาติโยมให้ญาติโยมได้รู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรม ตามมากันต่อนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างพระภิกษุกับคารวทญาติโยมคารวะญาติโยมก็สนับสนุนเรื่องปัจจัยสีให้แก่พระภิกษุพระภิกษุก็ให้ธรรมะแก่ญาติโยมเพราะถ้าญาติโยมไม่มีธรรมะจิตใจก็จะมืดบอดจิตใจก็จะถูกความหลง หลอกให้ไปหาความทุกข์กันแทนที่จะไปหาความสุขกลับไปหาความทุกข์พ่อมองไม่เห็นเหมือนกับเราถ้าเราอยู่ในที่มืดหรือเราเอาผ้ามาปิดตาเราจะไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วมีอะไรบ้าง มีคุณมีโทษอย่างไรเราก็ไม่รู้พอเราเดินไปเราก็อาจจะเดินไปชนหรือไปเหยียดข้าวของหรือไปตกหลุมตกบอ่อได้เพราะเรามองไม่เห็นทางแต่ถ้าเรามีแสงสว่างหรือถ้าเราเอาผ้าปิดตาออกเราก็จะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้สิ่งที่เป็นโทษเราก็มองเห็น สิ่งที่เป็นคุณเราก็จะมองเห็นเราก็จะได้เดินไปหาสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นโทษเราก็จะเดินหนีจะไม่เดินเข้าใกล้เช่นถ้าเราเห็นงูอยู่ข้างหน้าเราจะไม่เดินเข้าไปหางูแต่ถ้าเรามองไม่เห็นเราก็อาจจะเดินเข้าไปแล้วก็อาจจะถูกงูกัดได้ฉันใดจิตใจของพวกเราก็ เป็นเหมือนคนที่มีผ้าปิดตาอยู่ยังไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษ<ม>เราจึงต้องอาศัยคนนำทางผู้ที่จะนำทางก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ี่เองเพราะท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติจนปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา คือดวงตาที่มืดบอดก็หายจากการมืดบอดสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างที่พวกเรามองไม่เห็นกันสิ่งที่ท่านเห็นก็คือกฎแห่งกรรมนี่เองท่านเห็นว่าการทําบุญจะพาให้เราไปสู่สวรรค์ mm. การทําบาปจะพาให้เราไปสู่ mm. การไปเกิดในอบาย mm. การชําระ กิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจจะทำให้พวกเราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดพวกเราตอนนี้มองไม่เห็นกันเพราะตาของพวกเราคือตาในมันมืดบอดเราจึงต้องอาศัยคนที่มีตาสว่างตาในที่สว่างคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะท่านได้ปฏิบัติจนสามารถ ชำระสิ่งที่หุมห่อจิตใจของท่านที่ทาให้จิตใจของท่านมืดบอดจนนั้นหายไปหมดกลายเป็นใจที่สว่างสวยขึ้นมาเห็นนรกเห <c oughs> ็นสวรรค์ <c oughs> เห็นทางเดินที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลังจากที่ท่านเห็นแล้ว ท่านจึงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติพวกเราก็จะได้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบกันไปสู่ที่ดีกันคือไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆและไปสู่ ภูมิของพระอริยเจ้าชั้นต่างๆจนถึงชั้นสูงสุดคือชั้นของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าที่เป็นชั้นที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พวกเราจะได้รับจากการที่เรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วปฏิบัติตามที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ สั่งสอนคือหนึ่งให้พวกเราทำทานอย่างที่พวกเราได้มากระทํากันในวันนี้เราสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง <c oughs> ที่เรามีเกินความจำเป็นที่เราไม่ต้องเก็บเอาไว้เราก็เอามาถวายพระภิกษุในรูปแบบของปัจจัยสี่คืออาหาร ยารักษาโรคจีวรและที่อยู่อาศัยเพื่อให้พระภิกษุได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายเพื่อจะได้ศึกษาและปฏิบัติจนบรรลุธรรมขั้นต่างๆแล้วจะได้มาเป็นที่พึ่งของพวกเรามาสอนมาบอกพวกเราให้รู้จักวิธีดำเนินชีวิตที่จะพาให้เรา อยู่ห่างไกลจากความทุกข์อยู่ห่างไกลจากการเวียนว่ายตายเกิดอนอกจากการทําทานแล้วท่านก็สอนให้เรารักษาศีล <c oughs> อย่าไปทาบาปเพราะเมื่อทําบาปแล้วจะต้องไปใช้กรรมในอบายจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเกิดเป็นเปรตบ้างต้องไปตกนรกบ้าง <c oughs> <c oughs> พวกเราอาจจะไม่เชื่อก็ได้ เพราะเราไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ที่จะต้องไปเกิดในอบายเพราะเราเห็นแต่ร่างกายที่เวลาตายไปก็กลายเป็นขี้เท่าไปสิ่งที่เรามองไม่เห็นคือใจของพวกเราเองใจผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดอยู่นี้ไม่ได้เป็นส่วนของร่างกายเป็นส่วนของใจเป็นผู้ที่มาอาศัยร่างกาย ใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆตามความอยากของใจแต่การกระทําเมื่อทำไปแล้วก็จะเกิดผลขึ้นมาผู้ที่จะต้องรับผลก็คือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้ตายไปแล้วไปสวรรค์ไม่ได้ร่างกายตายไปแล้วไปนรกไม่ได้มีแต่ใจเท่านั้นที่จะไปสวรรค์และไปนรก สวรรค์ก็คือโลกทิพย์สวรรค์อยู่ในโลกทิพย์นรกก็อยู่ในโลกทิพย์ใจก็เป็นกายทิพยนะ์ใจจึงเป็นผู้ไปสวรรค์ใจเป็นผู้ไปนรกนะไม่ใช่ร่างกายแต่พวกเรามองไม่เห็นใจเราก็อาจจะไม่เชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงนะเราก็อาจจะ ทำบาปกันพอทำบาปแล้วเวลาเราไปเกิดในอบายเราก็ไม่รู้อีกว่าเรามาเกิดในอบายได้อย่างไรเช่นพวกเดลฉานเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงต้องมาเป็นเดลฉานกันก็เพราะว่าเขาทำบาปเขาไม่รักษาศีลห้ากันเขาจึงต้องไปเกิดในอบายไปใช้บาปที่เขาทำ หลังจากที่เขาใช้บาปหมดแล้วเขาถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าไม่ได้ทำบาปก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยหรือถ้าไม่ทำบาปแล้วทำบุญด้วยก็จะได้ไปรับรางวัลได้ไปเกิดในสวรรค์ได้เป็นเทวดาขั้นต่างๆชั้นต่างๆ จนกว่าบุญที่ได้ทำไว้หมดจึงจะถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ก็ต้องทำบุญขั้นที่สคือนอกจากทำทานรักษาศีลแล้วก็ต้องภาวนาหรือปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการชำระใจให้สะอาดบริสุทธ ใจของพวกเราตอนนี้มีเชื้อที่เรียกว่ากิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆถ้าเรายังมีกิเลสตัณหาอยู่ภายในใจกิเลสตัณหานี้ก็จะฉุดลากใจของเราให้กลับมาเกิดใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่กลับมารับผลบุญผลบาปที่เราทำไว้ แต่ถ้าเราสามารถชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้เห็นให้มองให้ดูให้เห็นว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ใจเราไม่สงบเราก็จะเห็นว่าเป็นกิเลสตัณหานี่เองถ้าคิดถ้าใจเราไม่สมบ เวลาตายไปใจของเราก็จะต้องไปเกิดใหม่แต่ถ้าเราสามารถทำลายกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้เราก็จะไม่ต้องไปเกิดใหม่ถ้าใจเราสงบตลอดเวลาอย่างใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาลหลันตสาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติธรรมท่านภาวนาทำใจให้สงบ พอใจสงบแล้วก็จะเห็นเวลาเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาใจก็จะไม่สงบท่านก็จะฝืนไม่ทำตามความโลภทำตามความอยากพอไม่ทำตามความโลภความอยากความโลภความอยากก็จะหมดกำลังแล้วก็จะไม่มาทำลายความสงบของใจเมื่อใจไม่มีความโลภความอยากใจก็จะสงบตลอดเวลา เวลาใจสงบตลอดเวลาก็ไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปเกิดใหม่เพราะไม่มีความอยากไปไหนนั่นเองนี่คือทาขั้นสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระมาปฏิบัติกันสำหรับคาววาญาตโยมนี้เป็นธรรมที่ยากเพราะจะต้องทุ่มเทเวลา ชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติอย่างเต็มที่เท่านั้นถึงจะสามารถชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ดังนั้นขาวร่าวาญาติโยมจึงไม่สามารถที่จะบรรลุถึงพระนิพพานกันได้ถ้าอยากจะบรรลุถึงพระนิพพานต้องออกบวชกันต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสละเวลาที่เราหา ใช้กับการหาความสุขทางร่างกายแล้วเอาเวลามาทุ่มเทกับการชำระใจของเราให้สะอาดนี่คือหน้าที่ของนักบวชหน้าที่ของญาติโยมก็คือลักทาบุญนักษาศีลห้าไปมีเวลาว่างก็นั่งสมาธิบ้างทำใจให้สงบบ้างก็ได้แต่จะไม่เพียงพอต่อการบรรลุถึงพระนิพพานได้ แต่อย่างน้อยก็ได้เป็นการได้ริมลดของความสงบว่าเป็นอย่างไรถ้าเกิดศรัทธาก็อาจจะออกบวชต่อไปได้นี่คือหน้าที่ของพระพุทธศาสนิ ก, กชนไม่ว่าจะเป็นพระที่ออกบวชหรือคลรวะญาติโยมที่ยังคองเลือนอยู่ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ของกันและกัน ถ้าต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตนก็จะได้รับประโยชน์ได้รับความสุขตามฐานะของตนก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความศรัทธาที่แน่วแน่ต่อคำสอนของพระพุทธเจ้ามันทำบุญทำทานมันรักษาศีลมันปฏิบัติธรรมกันแล้วจิตใจของเราก็จะมีแต่ความเจริญ ขึ้นไปเรืเ่อยๆมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆมีความทุกข์น้อยลงไปเรื่อยๆจนหมดไปในที่สุดเกิดจากการที่เรามีศรัทธาและปฏิบัติตามคำสอนของพ่อพระจ้านี้เองการสแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้